การตัดต่ออีกไม่ยากไม่ซับซ้อนไม่ต้องปรใช้หนวยคิดเหตุผลดั น, นั้นการพูดการฟงังเป็นการให้ทำไม่ใช่ใหน่วคิด การเตริญสติไม่ต้องไปใช่ความคิดเป็นการกระทาไม่มีสติไปนในกายอยู่เป็นประจำก็มีได้ ท, ทันทีไม่มีอะไรมาขวางขัน ถ้ากายมีสติถ้าสติไปในกายก็เป็นความเพียรชอบความเพียรชอบว่าป้องกันอากุศนที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นถ้ามีสติก็ป้องกัน อกุศลคือความไม่ดีไม่เกิดขึ้นเพียงล้วอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่เกิดขึ้นอีกทันทีอกุศลคือหลงเมื่อมัอนเกิดขึ้นมีสติมันก็ละความหลงมาเป็นความรู้สักทีไม่ใช่รูปคราม ความเพียรมาใช่ลูกความความเพียรเป็นความเข้มแข็งกล้าหาญสติเป็นพนลังช่วยให้เกิดความกล้าหาญนิมิตช่วยให้เกิดความกล้าหาญถ้ามีสติเป็นนายายอยู่เวลามันเกิดความหลงขึ้นมาก็เปลี่ยนหลงเป็นไม่หลงกลับ กลับมาได้ความ ก, กลัวพวกพระมันกลัวเกิดความกล้าในความกลัวไม่กล้ากลัวความกลัวเป็นความกลัวหรือเป่าขี้ขี้ข่าความกลัวเป็นความกล้าหาญที่จะต้องมาให้กลัวหน่อย้ามีสติจ สติมันช่วยนิมิตมันช่วยกรรมฐานช่วยช่วยได้จริงๆแต่กลับมารู้สึกตัวซะเมื่อเคยกลัวอะไรมันก็จะละความกลัวได้เพราะมันทราขึ้นมาในความกลัวในความอ่อนแอมันเข้มแข็งขึ้นมาในความหลงมันไม่ความไม่หลงขึ้นมาในความทุกข์มันไม่ความไม่ทุกข์ขึ้นมา นี่เรีกวาความเพียงชอบเพียงละอคุกกณส่วนเพียงไม่เกิดไม่เกิดขึ้นเพียงละอคุณสนที่เกิดขึ้นแล้วไม่เกิดขึ้นอีกถ้ามีจติแต่ไม่ใช่คำพูดมันเป็นไปเองมันเป็นไปเองอคุณสวคือกก ค, ความไม่ถูกต้องความหลงไม่ถูกต้องความรู้สิบตัวถูกต้อง อะไรที่ไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมเปลี่ยนได้ในข้อเขียมนาฬการเจริญสตินี้พรมันมีหลักมันมีหลักเปลี่ยนมันมีวิธีเปลี่ยนอันยากมาเป็นง่ายได้ไม่ใช่เอาความคิดตอบความคิดหาคำตอบจากความคิด ตอบไม่เป็นตอบไม่ถูกคิดเศร้าเฉๆนะครัตอกจาก ค, ค, ดดความคิดต้วยควมรู้ได้เห็นได้เหนยอนแฉะมาได้ทำลย า, ายความหลงความปวดมาได้ควาตอบที่ได้จากความคิดนั้น <c oughs> ใครๆก็รู้การทำความเปลี่ยนการปฏิบัติธรรมไม่ใช่มาเรียนรู้มาเพื่อหักทให้เป็น เวลามันหลงทําให้มันเป็นนี่เรว่าความเพียรถ้าหลงเป็นหลงยังทําไม่เป็นยังเป็นอานุบานอยู่อาจจะหลงจนตายก็ได้ไอาจจะหลงถ้ามีความหลงก็เกิดอะไรขึ้นจากความหลงอภิษณ์ยังมันเกิดก็เกิดขึ้นถ้ามีความหลงต้นเหตมันเกิดจากอัความหลงเป็น ตั้งของอกุศนเราไม่ความรู้จึกตัวไปนในกายมันก็ไม่ให้มีที่ตั้งได้ไม่ให้มีที่ตั้งได้อกุศลเพีย้ยนพยายามไม่อกุศลอื่นเที่ยงไม่เกิดไม่เกิดขึ้นอีกถ้ามีสติเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ปไปไล่จับโน่นจับนี้ เสือมันตุจะมันจับเสือฆ่าที่งล่าเสือมันก็ทำไม่ได้ตายทิ้งไ ป, ปเปล่าแม้รู้แต่ว่าเสือมันตุแต่ว่าเราป้อง ก, กันตัวเราง่ายๆกิเล็มากมว่าเราไปกลัวกันเหรอรอพูดถึงกินเล็กพอถึงพูดถึงความปวดความโลภของเราก็ปวดหน้าไปเลยไปกลัวทำใหม่ ไม่กลัวไปกลัวของเที่ไม่กลัวที่กล้ากับกลัวของที่กลัวกับกล้าถ้าไม่มีสตินะ่าหลงก้าโกรธก้าทุกข์ถ้า ม, มีสติถ้ามีสติจะไม่กล้าของที่กลัวก็เป็นกล้าของที่ก้าก็ไม่กลัวในสิ่งที่ถูกตล้า นี่เว่าปฏิบัติธรรมปั๊บเดินปับ๊บเหมือนกับเราก้าวยากตีละก้าวก้าวตีละก้าวเขาผ่านไปแล้วองกันอยู่ที่ก้าแวแรกคือภาวะที่รู้เขรู้มันผ่านอะไรพขรู้สึกตัวนผ่านอะไรเขก็ผ่านความหลงในเที่ยงมันไม่ได้อะไรไม่มีอะไรไม่เหมือนเราทำมาโดยทำมืโดยนึกเฉียง ทับน้อยังเสี่ยงาศัยใจขรรุนน้อยใจทำไมเช่าบางทีแบบนั่งบ้างบางทีแท่วมบ้างในปัจจัยหลายอย่างแต่เมื่อปฏิบัติทรหนึ่งไม่ได้เสี่ยงเลยทันทีเป็นปัจจัตตังของผู้ปฏิบัติ <c oughs> ไม่ค่อยจะมีคำถาม มีแต่ควาต้อของผู้ปฏิบัติพราเป็นการพบเห็นมีสติเกิดการพบเห็นแห็งความหลงเจาะใจจบัจบใจเห็นความสุขความทุกข์เกิดจับาจจับใจ ถ้ามีสติเห็นนะถ้ามีสติก็ไม่เห็นนะดังที่เราสาใจผู้ศรัทธาทนะุกคนทุกอย่างเอาแล้วปวแล้วนะไหนะควสุขความทุกข์ไหนละความทุกเป็นอย่างตรงไหการพาพาจากของราของจอดใจก็เป็นทุก ตอนทาทราจากของเราของชอบใจถ้ามีความเลี่ยนท้าไม่ถูกปรารถนาสชิงใดไม่ได้เช่นนั้นนั่นก็เป็นทุกปรารถนาสิิงใดไม่ได้เช่นนันนนนน้นั่นไม่เป็นทุกถ้ามีความเปลี่ยนมันทราบมันเป็นทรงกันข้างธรรมะเป็นเครื่องกระจัดทุกสติเป็นเครื่องกระจัดทุก คุทโธทุกขจัตวาตาจัตวาตาจัตวาตระเวนอาภุดติชอเป็นเครื่องกัจัทุกข์คือคนนั้นทนเป็นเครื่องนะไม่ใช่ผู้นะไม่ใช่เปนล่อันโน่นนี้เป็นเครื่องที่มีในชีวิตของคนนะทั้งโทุกขจสาคาทาจัตวาตาจตาตระเวอาภุดตเป็นเครื่องกำจัดทุกข์ จังโ ก, าางก ท, งทุกขมาจากว่าใจิตาตาใจ ท, ะทะเมฆะสงเป็นเครื่องกระเจาทุกมีแล้วถ้ามีสติเป็นพระธรรมมงรู้จิตตัวตร ง, งกับความหลวงความจักไปแลเมื่ออะไรที่เกิดจากความหลงก็ไปหลายอย่าองอ่อนหน้าไปหลายอยา่างถ้าเกิดจากความหลงได้ว่าจะสิง่งใดไม่ได้สิ่นนั้นก็เป็นตัว ความทับแช่งใจก็เป <Get S 2> ็นทุกความไม่สบายกายไม่สบายใจก็ก็เป็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์จะว่าอย่างไรยอมหรือเช่นนั้นความไม่สบายกายก็ไม่สบายใจความทับแช่งใจก็เป็นทุกข์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความทับแช่งใจไม่เป็ทุกข์ก็อ๋อไหมหรือว่ายอมไปเลยถ้าหัวนั่เบี้ยวไปแล้วถ้ามีความกล้ามาจาก ยิ่งแย่แข็งแกร่งเมื่อมันเกิดตรงนี้ขึ้นมาดูแล้วมีสติปัญมาต่างสนุกตีสนุกเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้เป็ น, น, น, ป น, น, ปนให้เปลี่ยนน้อยเป็นดีเนีย่ยมันน่าถึงชื่นใจเหมือนเราทําอะไรต่างทำมาแล้วมีผลงานมันมีผลงาน เพียนลงเ็ไม่ลงผลงานเกิดขึ้นแล้วร้องทุกไม่ทุกเป็นผลงานเกิดขึ้นแล้วงาเป็นชีวิตที่ปกกว่าต้องเช้่แข็งอาสัยความเพียเนเล่ยส้างเอาตัวใครตัวมันต้องหัดหัดถ้าเป็นแล้วมันได้ใช่ ม้วไม่หัดมันไม่เป็นไม่มีรชาชนจนสติมันจนมากนะเ้อจนสติอย่างเดียวเลยชนเกือบทุกอย่างมาทุจรรยอุปทานความท้าเป็นทุกทุกเป็นทุกเวทนาเป็นทุกสัญญาเป็นทุกสังขารเป็นทุกวิญญาเป็นทุกในความเที่ยงก็เป็นทุกวามเป็นทุกความเป็นทุกวาสาสิ่งใด ได้เชนนั้นก็เป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนก็เป็นทุกข์เลยอยู่ในห้วงทางความผ่านเกิดแก่เจิดตายได้เราเห็นเราจะสั่งลาแล้อุปทานขันตั้งห้าเป็นตัวตุกเมื่อตัวย่ออุปทานขนันต่างห้าเป็นตัวตุสังลาอุปทา น, น, นาเทระททรยึดถือไว เมือนมันทุกข์ตกเป็นคิดว่าเป็นทุกข์ของเราเหมือนมันทุกข์ตกเป็นคิดว่าเป็นเราซะหรือเหมือนแต่ไรไปจะวิ่งแขนรถไปเอาไ้มันถลอกปอกเปือกันทุกข์ท่าไรก็ไม่ จ, จบว่าเพราะนั้นอุปทานัาหน้าเป็นตัวทุกว่าตัว ย, ย่นให้หล่อนที่สุดถ้าอุปทานจังลากับขหนานะ้าแต่ละมันจะมีอะไรเ ไม่แต่จะพูดว่าไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรถ้ามันจั่งมาขนาดจุดท้ายมันก็ไปทำนี้ปฏิบัติทำเนื้อทุกเป็นทุกทําใหม่หลงเป็นหลงทําใหม่ไปยึดไว้ทำใหม่ข้ามวานข้ามเดื่นชัวโมงสองชั่วโมงทําใหม่ไม่ ม, มีวิธีที่จะปล่อยได้ไงวางแล้วรู้แล้ว มีสตินะล่าล่าบางนะอะไรก็ล่าอต้องเดียวอันเด้ยวชุดเดวชุดเดียวะดได้ทั้งหมดของปัญหาที่เกดกับตาระจับที่เป็นรูปธรรมนามธรรมถ้ามีสตินะมันได้แบบสูงสู สติปทานจูดรเนสูดที่ทะุทะลวงได้ตั้งแต่เตตรืม่มต้นทำต่างพดยถุดไปแต่กึจะแืเป็นทาไงไาแล้วในตั้งหลับไม่มีสติประทานจูดรยตอนตอนไปไม่ได้ไปไม่ถึงถุดตรงของเออ กรรมฉัตรการโยกาะรที่มันเป็นทั้งหลายหมดกรรมกัรการโยไม่ใช่วิไม่ใช่ฤิสัยของสมไม่ใช่วิศรีของพระยาชาไม่ควรเจ็ไม่ควรข้องเงาะเป็นหินุกัมโพปุตชันเป็นของุจชน เธอหลงเป็นหลงเป็นผุ้ทุกขโศกรรมโผล่งงีนองตํ้สาโกรธเป็นโกรธเป็นผูุ้กข์โศมเธอหลงเป็นลูกเป็นอริยบุคคลชั้นใดชั้นหนึ่นนงแล้โกรธเป็นลูกเป็นอรุคคลเทาไหรั้นไหนเรียกคนขั้มต้นตุน้นทำ ร, ยรอยความโกรธความโลภความหลง มองมองจางคายหรืไม่กี่เปอร์เซ็นมันไปทางนีนะ้มันใช่รีลักอูดีตายแล้วมีชื่อไม่เสียงแทบดีอย่างนั้นนี่ไใช่เป็นของส่วนตัวไม่ใช่เป็นเครื่องผ่านเป็นขนบธรรมที่ไปทำลายอสุรถ้าไอ้คนฉันใดฉันนั้น ไม่กำลับ อ, อื่นหรอกทุกไม่กำลัง อ, อื่ีใดยังแตหลายไปสู่มากสุดแปดสิบเนท่นไหนท่านหนเรดถึงมือปลาทางหมดไม่กำลับ อ, อีกแล้อกนี่เป็นเครื่องที่วัดเหมือนเจงที่วัดคุณภาพ สถาบันการมาชการต่างๆ เ, เจนชีวัดอย่างวัด น, นี่ก็มีเจนที่วัดถ้าได้เจนที่วิตก็เรียงผ่านผ่าน้าก็าาได้ใจได้ใจประกาศว่าเรเป็นเจนทีวิตความไม่ถูกต้องมีอะไรบ้างมันจะเป็นการถูกต้องตรงไหน นั่งใช้นน่งเตืยงที่ว่าใช้ห้องน้ำห้องชวง่ที่วางอาหารการกินที่พวงาามาฮ์แห่งเจงที่วัดเราใช้ได้ปลอดภชีวิตเราก็มีเจนที่วัดไม่มีอะไรมาเป็นมาแทนเราไม่ได้มีใครมาให้คะแนนเราสามว่าจบพวงไาฮตัวเองได จึงเป็นเจงที่ว่าสิ่งที่ควรจะหลงไม่หลงสิ่งที่ควรจะทุกไม่ทุกสิ่งที่ควรจะโกรธไม่โกรธอนนี้เป็นเจงที่ว่าเดี๋ยวนี้เาเป็นยังเพียงจะคิดก็ทุกข์เดี๋ยวไม่ให้เกนอยไรไม่เข้าเจนอะไรเลยเป็นขยะเป็นเดงอย่ีอย่างตรงหนุ่มเขาโกพธเเนะเมืม่อจะหลอ เราต้องเจาะยังไม่เข้าถิ่นเข้ามาเข้าถิ่นเข้าแบบแบบของชีวิตเราที่จะหล่อให้เป็นคนดีเป็นมนุษย์ขึ้นมามีสติคนนั้นที่มันจะตามกับสัตว์แต่ละชาติแล้วมันจะยากอะไรสติหะใจเข้าก็ลูกพูด น, น้ํำลายก็ลูกพิษทางกลูก เราแช้คิ้นแต่ไหผ่านมาชีวิตแต่ไรที่ผ่านมามีความหลงหรือมีความรู้ล้อมมาสวดตัวเีงยกมือสี่ิบั้งมาหนึ่งลู่สองลูกสามลูกสี่ลู่ห้าลู่หกลู่เจลู่แปดลู่เก้าู่สรบลู1สิเ็ดลูกสิองลูก จอลูกสิที่รู้สึกข้างไหนสิ่งที่ลูกมีหน้ที่อะไรลูกได้นะืเปล่าดมันได้ก็ครึ่งหนึ่งร่างกนยขงไหลไปไต้องถึงบ้านถึงช้องถึงคนนั้นคนกี้ใคระหลงไปตางคนที่ะหลับมาแค่ั้นถ้กลับมาแต่กลาเป็นคงถูกต้องอมหลงไปแค่ได้คนลู ลงก็หลงมเรีเลยคิดแล้วหลงคิดแล้วคิดเปลุุกหรือหลุดแยกหรือคิดหรือลอลดมันจะยังมาทางไหนจะทากายทำใจลบไปเลในสูตรหรือเ่ากายเวทนาคิดทํกายยานปัจจนนะมีสติกายเัจ เวทนาพัสนามิเส็เวทาทั้งหลายเป็นัเวทาจะชุบชุบง่ามากพอใช้ไหมคนเห็นดื้อเลยล้วนคิดคิดไปเห็นไม่ต้องไปดูทาอ่ะไปดูเวทนามันปวดตรงไหนมันปวดตรงไหนมันจะหายตรงไหนปวดทนมีสติก็ไปข่มไว้ไม่มีปดูโ มันรม่นง่าไม่ใช่เป็นลำดับต่อฉันว่าเป็นข้าวดูดูงรื่นง่าอวันพวันเวทนาจบทุกข์มากลาเป็นความรู้จิตแล้วเวทนานะกลายเป็นความรู้จิตแล้วง่ายงไม่ท่องไปเป็นข้าวปวดรูปวานปวดมาจะาปดห้านมันามันชาไปเลยนั่งแต่ชัวโมแข่งัน ไม่กระโดกระติก่ทำะมาอยู่ในความสู้สู้ไม่ต้องสู้ไม่ต้องตัวเห็นทำไม่เป็นเลยเห็นเห็นทุกไม่เป็นทุกคนจากทุกอเหรอไม่ใช่เห็นทุกขนสู้ทำโอ๊ยโอ๊ยไม่ใช่แนั้นอันนั้นไม่ใช่ไม่ทันกินไม่ทองกินเลย เขียนอยว่เลยที่ท่องจิตนี่มันทําทีนะเป็นมัเป็นผลร <c oughs> วมหลงเป็นเวมไม่หลงเป็นผลโอเคที่มันน่อยมันเป็นดีนะี่ชีวิตเราเป็นอย่างนี้นะปฏิบัติตามเป็นอย่างนี้ถ้ามันมีถ้าไม่หลงอะไะแล้วนะ ล, าล่ลาลเปี่ยนมันไม่หลงแล้วปฏิบัติปฏิบัติํา ถ้ามันหลงไปหลงไม่ใช่นักปฏิบัติจะเทศเจงขนาดไหนจะพิเศษอย่างไรก็ตามไม่ใช่เป็นนักปฏิบัตินักปฏิบัติเรื่องนั้นต่ำต้องไม่ใช่ยิ่งใหญ่เมืออะไรทุกอย่างเป็นธรรมชากับสู่สภาพอยู่สภาพอยู่กับธรรมชาติพื้น เ ข, ข, ข้าสู่ครึงสู่ธรรมชาต้ธรรมชาติเลยนาบนท่าว่ายกไปสวนิพพาให้นอนด่งเตียพุนจากไุนในอับหนาวย่ามห น, นาวภาษาเสียวสวัสดใช่ไหมเ <ś le os> สีเ่ยวเฉลี่ยฉลาดไม่ใช่เสียวสวัด <ś le os> สดเฉี่ยวฉันหลฉลาดจังไง จะขึ้นสวนรค์นิพพานต้องนอนดงเกียรตุภูมคลียปรปุ๊บน่ะเอางบนขวงชั่วเป็นความดีน่ะถ้าไม่เกี่ยนชั่วเป็นดีเกีนหลงเปนรู่นพุภูมิคือมันไม่ดีกิเลสมันเศร้าหมองทำให้เล่นกับมันล้มันไม่น่ากลัวมันนีว่าเรารู้จากมันแร้มันสารภามนะปวดคัวนะช้าเก๋ ถ้าเห็นบ่อยๆเห็นบ่อยๆนะเห็นไไหลงบ่อยจากกาเห็นไไ ห, นนะหนลงไไหนะไไหหบ่อยจากความคิดหมดท่านะบไม่ตไรกัถึงไหนบ่ไม่เป็นธรรม้องหลงไม่เป็นธรรมบ่รู้จึดตัวเป็นธรรมไปได้ไหมจะไปได้ยังไ ง, งข้อมโกรธไมนเป็นธรรมข้มไม่โกรธเป็นธรรมขมโกรธจะไปได้ยังไง ว่าทุกไม่เป็นธรามไม่ทุกเป็นทรรที่สุดสามารถเลือกได้เทียบเทีําเทียบเทียมดูจึงเป็นการเลือกได้ชีวิตเป็นสิ่งที่เลือกได้วา่าทศนาร์ทีเลือกได้ต้องมีวาทนานะคนทีนะ่จะบรรลุธรรมวาทนาบามนุษย์มีต้องมีนะว่าทศนาคุณเลือกได้อ น, นี่มันเลือกที่ไม่ ทีเลือกที่มัทุกข์ไม่ทุกข์โอมที่จะเปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์มาแล้วมีบ่แล้วมีแต่มาฟ้องมัแค่กับมันเป็นชาติจาเป็นพลเมีไปก่อนอีกสิบชาติที่จะได้เป็นโสดิจาวมันบาเพ็ญบำมีคืออ่าซกพมีคือเมตตาศรทาทอะไรต่างๆเป็นไฟตาต่ำทำใบนอกจั้งห หัวใจตัวเองไม่ได้เสียดไม่ได้ทราบไม่ได้เขียนลงไปบาลามีบา ล, ะละบาคือฟพรมาจะเขียนเรนาเหมือนวาดภาพอยากได้สวยได้งามเขียนเราให้มันออกไปจากฝีมือของเรามันเขียนลงไปอันกายใจของเราเขียนได้มันเขียนได้มันพิสให้มันถูก มันหลงให้มันู้มันทุกข์ใหมันไม่ทุกข์มันโกรธให้มันไม่โกรธมันหลงเหมันไม่หลงนะเขียนได้มันต้องขอยาตจากใครสิธิ์ท่ว่าให้เปิเริมเมันโกรธแล้วมีสิทธิไม่โกรธอ้ามีนะเอาเลยปฏิบัติธรรมมันหลงไปทางไหนไปหาคนรักคนจอบนั่นแหละสิธิ ไม่ไปเวลานี่ไม่ใช่มาหอบขี้โมเลมมาแล้วมาปฏิบัติเจะสติอย่างนี้เรามีนี่เรามีงานนี่นี่คือทาดีแล้วดีตั้งต้นตรงนี้อเอาการมาทานีรู้จุดตัวรับความทุกแล้วรู้จุดรวมเขาทําวามดีแล้วรู้จุดตัวติดเขาบริสุทธแล้วโอ้ยตั้งต้นนี้เนาะแต่ก่อเราต้องเที่ยวอยู่ทั่วทวไป มัวแต่คิดมัวจะ่เอาเหตดเอาผลอันนี้เราชอบอันนี้ไม่ชอบเชียวเวลานอนชาเดี๋ยวไม่กงมัวแต่คิดไปนอนไปี่ยนั่ง้าติว่าผมงนอนกองง้กองของมากขึ้นขึ้นกลางกลางหลัากองโู้สู้กันหัวฟาดหัเอก่อันไรต่างตัวมาก ถห้มันมัดนชักเจนแม่ยังเดินก้าลูกโอ้โมาันสร้างตัวลู่นี่มันใช่มาคิดเอาคิดเอาถูกมันคิดก็เห็นมันเนี้ยลูกเนี้ยเห็นลูกทำนาทำมัโอ้มันบอกลูกมันทําดีมันมีลูกมีนา ต้นเหม็ดเตีนที่เเหยียดไปมันไม่มีรูปไม่ีน้ำมีแต่ลูกไม่มีน้ำต้นมาเสียงข้าวเราะมีแต่ลูปไม่มีน้ำมันก็ยืนนิ่งๆอยู่ไปนั่งคิดไปนั่งทีนี้เปสุกันตัวว่าไม่มีรูปไม่น้ำโอ้เป็นรูปจริงๆเป็นน้ำจริงๆเป็นลูกทุกจริงๆเป็นน้ำทุกเป็นลูกทําตามทำมันทาดีมันทําชั่วโอ้รูกมันจะได้ พ่อหมุนจกักเองรู้จักตัวเองค่นรู้คนอนื่นจะได้ใช้ตัวเองให้ถูกต้องเมื่อรู้จักตัวเองดีแล้วรู้จักคนอื่นได้งา่ายช่วยกันเป็นถ้าไม่รู้จักตัวเองนะช่วยกันก็ไม่เป็นคนหนึ่งหลงคนที่สองคนหลงคนหนึ่งโกดคนที่สองโกรคนโกดคนโอ้ห้าจิตไมเจริ คนกดตามคนที่กวดก่นงู <laughs> สองหนอยไปสิสองเ่ายนะเห็นไหมาด่างูก็โกรธเลยน่ถ้าไปโกรธสัตมาเขาหลงเขาโกรธเขาน่าจะไม่งูอันกระหงลต้องเจงสองเราต้องเจงสองฉันหลอดเฉลี่ยๆตัวมาช่วยกันเจ มาที่ผัวเมีกันช่วยกันมาเป็นหลือด้วยน่าเสียตายนะให้ผมหลองพาให้หลงหอทั้งคู่ให้องโกรธสร้างผมโกรธแต่แก่กันเชืเ้อเตี๋กวองโกรธเชื้อเตียยวองทุกเชื้อเปี๋ยวผมหล่อมาเท่าไหรนแล้วมีตัวมีตนจริงหรือเป็นอาการอนไรเป็นอารมณ์อะเอาคงโกรธมาเ็นสิดใจหรอถ้าคุณได้โกรธตายหรือ ไปชิดแต่หนังไยืดแต่หนังเสียเปล่าน้อยเฉยๆเห็นไหมก่อข้าวน้อยข้าแม่ปูดก็ถยแม่ก็ข้ามาน้อยไปกินข้าวไม่เห็นข้าเหนียวข้าบ่นไปน้อยเห็นแต่ฝนฮะแนวร่วมที่เกิดกองโขดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทำไมทําไมทําไมทําไมให้เงื่อนไขเข้าไปให้นเขาเขไปลุกจวน ห้าแม่ตามากินข้าวิ้ก็ไม่หมดอินมใแล้วผิดพลาดแล้วแม่ก็ต า, ายไปแล้วเออหมายถึงยักส์สตอนกาวตองเขาน้อยก็นนี่้โกดชาน่ะวนเสียหายมากนะวัที่โกดเท้งโกันแล้วกกนนะเวลาหายก็ตายก็มีมากะเจ้าอาจจะช่วยกัน ก็ไหนท่านรู้จั ก, จกตนเองมันจะรู้จักคนอื่นรู้จักตัวเราเอางก่รู้จักคนอื่นเหมือนเราจะมีใช้ยผมทเป็นนักรบรู้จักพื้นที่จะใช้พื้นที่ได้ใหญ่ชัดเนจนสี่คำวิธานเดือนสอนเรารู้จักตัวเองรู้จักพูดทํานาทำําแต่ช้าไป มันเป็นไงรูปเนี่ยธรรมชาติเป็นไงอาการเป็นไงนาำมเป็นไงอธรรมชาติเป็นไงอาการเป็นไงธรรมชาติก็ไม่เป็นไรวันเจ็บวันหิวปวธรรมชาติน้ำน้ำก็ปวดขาธรรมชาติไม่ได้กินข้าวก็หิวข้าวเป็นธรรมชาติที่มันเกิดพวกนี้เป็นอาการธรรมชาติขอบคุณมันหิวอยาไปทุ่ มันเหลากอเป็นภาอะการที่มันแสดงออกมันเป็นสัญญาณภัยบอกว่ามันให้ช่วยมันด้วยถ้ามันไม่รู้จักธรรมชาติอาการมันจะเป็นโทษอันตรายผิดหวังให้เรามันนห่วงมันบอกจะได้มีชีวิตต่อไปต่อจริงข้าวมาเช็ดท์ รวม่นใจเห็ น, ม น, นะะมจ ม, ากกนมชาตาิาสูธรรมชาติเข้าใจรมชาติรูปแกนธรมชาติตากวมเป็นจริรงนามธมชาติของนาปกติบริจุดเดิเหมือนผ้าขาวสะอดไม่มีอะไรเปื้อนก่อใช้ผิดผิดไม่รู้จัสมองทั้งวงคิดอะไรก็คิดได ไปนีรวมระองเก็บชามผมพอใจไม่พอใจไปใช้น้ำคีดประเภทแล้วก็ินเพื่อนอะไหลายอยานน่างหัวพังนครับว่าอยู่ในน้ำมาทำเนื่นว่าเราเหรือไม่ใช่มันเพื่อนทีหลังมาทีหลังมันเขาออกได้เปลี่ยนได้ไม่ยากเด้อไปลองหลอกเปลี่ยนไม่หลอก ไม่เปิดเพื่อนไม่ความหลบเปิดเพื่อนมันโกดเป็นโกดรู้ตริตัวรูเลี้รักษาดูแลรักษารูปธรรมามธรรสติเนีย่ยวานที่บัดทา่าว่าจะดูแลรูปธรรมามธรรมไม่ดใคยอย่าปอยที่บางทีความคิดเนี่ยคิดได้ จ, จะพุตะกือหรือไม่ใช่ เต่ใช่จะ่เปนแต่าปากเป็นงันเลลวลานอนเหรเรื่องมาคิดเลยไม่ใช่ใช่เอเป็นทฤษฎีย่ะถ้าใช่ิดก็ผิดเสียงใช่ลูกผิดก็ผิดสิงใช่นราผิดก็ผิดเสิ ง, งเป็นทุกเป็นโทษเวลานอนก็ต้องนอนอ๋อเรื่องมาคิดหลับตอนเวลานอนคนเรา เคยเขรู้จุดตัวหายเจาะเข้าจุดตัวเราคิดให้กลับมาหลานี้เวลานอนไม่ใช่เวลาคิดกลับมารู้จึดตัวซะเป็นสวนตัวซาเวลาเดือนก็เป็นสองคนเดือนนะเพื่อพูดพูดพูดมากแต่เวลานี้เพื่อส่วนตัวรู้จึดตัวหลับฟุ้งรู้สึดตัวจะได้หลับสบายสียห้าชั่วโมง สดชื้นก็หลับแบบทำงูท่าทำอะไรแล้หลับแบบนอนลงข้างแต่ความคิดเข้าวามเท่าไหร่ก็นอนไม่อีกโงัเนียแค่ชั่วโมงสิบชั่วโมงก็ม่อยากลุกเื่อยล้าไปเลยนอนก็ทำให้เมอยล้าไปแต่นอนจริงๆจะสดชื้นได้ชีวิตใหม่เป็นึ้นมาใหม่ เย้เลาสดชื่นมาใกใพภาคก่อนจนที่ไม่ได้แช่แรงงานเริ่นมนนนนังเรื่องมาคิดลังกระควมคิดคุกคามจนเัวปวดหมดที่หมดเลยเหนื่งงอยแล้วนะต้องหักทนสมนทนจริงใหเฮ้ยจรงปวดใจจะไม่ถึกจริงวัที่ ป, ป, ปทําจะเริ่มจะตีมันเป็นรักษา ปล่อยใจก็เราให้ปวดใครเราจะไม่รักษาเราเหลือจะปล่อทิ้งเหลือรักษาแองเมื่อไรอะไรจะพิ่งได้มีใจก็พึ่งใจไม่ได้จใจใครมาพึ่งเราเรามีลกมูกมีเมียมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องอะไรไปไปพึ่งได้แต่ตัวเองก็ยังไม่มั่นใจตัวเองด้วยจะนอย่างไรพุ่งรอรพุ่งดีพึ่งฟูแก่แค่ ตื่มาทำไมถ้าเป่าเรามีพ่อมีแม่มีผัวมีเนี่ย ม, มีลูกเป็นหล่กการงานก็ประเทศชาติของเราแผ่นดินแผ่นฟ้าความไม่ทาระเทศันขาสรจเราอยู่ร้อยหยาหรือจะทำรอยให้มันอันปวดชิ่นไปเลยโลกเนี่จนนอ้อยเราแต่ใครก็เกิดขึ้นมาเีเมือครับ วัตถิบปรรมก็นครบองจรจนะ้สุขภาพก็จะดีเศรจฐกิจก็จะดีสอ ง, องคมก็ดีจิตวิญญาณก็จะอาชีพก็จะดีนะ้องจะคจะแม่เทียวโอเค ก, การงานอาชีพนะปฏิบัติทานะก็จะเป็นรเรื่องทุพอเรืองนะเป็นเครื่องมือถ้้อย่างดีาเป็นนักบวชกเป็นสิ่งที่ เชื่อชูชีพต่อพวเราจรึงขอเป็นท้าผวดเพื่อบอกเพื่อสอนเพื่อจะขี้ให้ดูให้เห็นเพื่อจะนำให้ดูให้เห็นว่าหลงไม่จริงไม่หลงจริงโขยงยันร้วยไปชนวงโกนเป็นจริงบอกนะวงไม่โกนจริงกว่ า, ว า, มมอ บ, วาบอก ควทุกเป็นจริงความไม่ทุกก์เป็นจริงเลือกได้ยังไงให้เลือกแต่ไม่จะทาให้ไปทํแล้วมัโกรธเกิดไม่โกรธดาาา้วยสติปัญญาซนำเอาไปทาให้มันเป็นเมื่อมุดเป็นความลงมานทสศนทธาความโกรธมนทัศนทธาความทุ ก, กข์มันทัศงสุท้ามันไม่มีหนอ่อมันไม่มีคนห ม, มายมันเชื่อโลก ม่มีันเดียวกับคูสมกับคู่นสนตรงกันพอดีแล้ววางรอบปฏิบัติเนี่ยวางรปฏิัติเอหยาบรวมรูปรวมพดีกนลเนี่ ย, ออ ย, ลยแล้วก็เปลี่ยนรูปรูปพอดีกันเลยได้เป็นการงานช่เป็นความช่อที่ส เมื่อเราอยู่โดยโชคกค่นี้โลกจะ่ปนว่าตาหา้าระหังอยู่โดยโชคไม่ใช่อยู่ในฝ่าสุโกโตอยู่ที่ไหนขนหลงเปลี่ยนหลงกปนไม่หลงนั่แหละอยู่โดยชอบอยู่บนรถเมย์อยู่ที่ทำงานอยู่ที่ไหนก็เปลี่ยนไดเปลี่ยนน้อยก็ดีปฏิบัติธรรมเป็นอย่างนี้เปลี่ยนน้อยก็ดีเปลี่ยนผิเป็นถู ก, น, กนั่นะปฏิบัติธรรม เราใครจะช่วยเราได้ต้องปฏิบัติใ่อตนเองมีความร่กการขันห้าไหลช่วยกันว่าท่านหลงเองท่านเปี่ยนหลงเป็นลูกเองไม่ได้ตะกนกนหลวพ่ผมหลงแล้วผมขอ้องช่วยด้วยเยด้วยไม่มี <c oughs> <c oughs> เฮยบอกคันยาสามีแม่ๆม่ฉันหลงแล้วลช่วยด้วยช่วยด้วย กาเคลือ่อกรไม่ได้เหมือนแบบอนกรเต็นการปัตตังของกายกรรมัิมลรู้ซทุกคนท่านอยู่ตรงนี้นะเป็นคนคนเดียวกันถ้ามีจิตเป็นคนคนเดียวกันในโลกนะี้ถ้าขาดจิตเป็นคนละคนกันไปถ้ามีจิตเป็นอนเดียวกันเลยทุกคนก็ควร รักความชั่วทงคนดีทำจิตบวชสุดพอพุทธจบแค่นี้คนไทบหกสบคนถ้ามีสติอักคนาชั่วทคนดีจิตบวชสุดรักอุศนที่เกิดแล้วไม่เก well, so ิดข so ึ row, so ้นอีกป้องกันอุศนที่ยังเกิดไม่เกิดขึ้นเมื่อเราตัวเราอุศนเืนที่ยังเกิดก็เกิดขึ้นอีกมาที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเริ่นมากขึ้น มันเป็นอย่างนี้มาตรงกนข้ามกันถึงที่เุิดจนเกิดมันผลพ่านบลุธมคือมันข้ามพ้นข้ามกันรอบฝัหลงอยู่ฝั่งนี้ไม่หลงอยู่ฝั่งนี้ทุกอยู่ฝั่งนี้ไม่ทุกอยู่ฝั่งนี้ก็ร อ, อบฝั่งกันรั่ันมันาเป็นอย่างนี้กุศลเป็นฝั่งหนึ่งอกุศลเป็นฝอ่ง กุศลนี่เกิดเจ็เจบตายกุศลนี่เหนือการเกิดเจ็เจ็บตายไม่ใช่เราเกิดมาเจ็บมาเจ็บมาตายได้ชีวิตใหม่ต่อยอดชีวิตต่อยอดการรูปทำนามทำมันเกิดงึ้นหเกิเจ็บตายไปเอาให้มันไม่ย่อทเหนือการเกิดเจ็เจ็บตายปฏิบัติตำเนี้ย ทีุ่้มผ้าน้านมพุ้มผ้าพ่อแม่เลี้ยงเราต่อปูนแต่ปูณว่แม่แล้วลก็มีคุณหนึุคนเป็นที่พึ่งหวานใสของศักดิ์จิงทั้งหลายโอ้ยินมไหมฮะยิ้มเติมนอนนอนไหมฮะส่งไปแก่เราอ่